กาลังทำกันนะขอมีส่วนร่วมกับพวกเราโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมมันเป็นความถูกต้องที่สุดแต่ก็อยากฟังผู้อื่นพูดว่า การฟังผู้อื่นพูดไม่สำเร็จเลยไม่ได้ยินก็อาศัยสิ่งที่บอกผิดบอกถูกที่อยู่ในกายในใจนี้เรียนรู้จากกาจากใจนี้มันมีความผิดความถูกตรงกันข้าม ความถูกต้องความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นดีกายที่ใจนี่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วความถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นคำตอบเอาเองตอบด้วยตนเองคนอื่นตอบให้ไม่ได้ง่าย เรียนลูจากกา้จากการจากใจเรียนจากตัวผู้ลูกตัวลูกปุสติสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่บุบอกเป็นเกณฑ์ชีวัตบอกผิดบอกถูกไม่เหมือนเรียนวิชาอื่นเร่นเรียนอะไรต้องไปโน่นไปนี่ ตีความอย่างปัญหาบ้านเมืองทั่วเนี่ยต้องตีให้รัฐธรร ม, มนูญตีความเหียงกันเอาผิดอาถูกกับเรื่องอื่นไม่จบไม่สิ้นหลอกลวงกันได้โกหโโกบททศสัวบทกดบอยมีเล่ ม, มีเหลี่ยม ให้ความผิดเป็นความถูกให้ความถูกเป็นความผิดได้แล้วแต่คนวิธีเลี่ยเหลี่ยมล อ, อยมายาสาไดแล้วแต่จากผู้มีปัญญาก็เอาเปรียบคนที่ด้วยปัญญาได้ เรียนรู้จากกายจากใจนี่มาได้เอาเปรียบใครถ้าสิ่งที่ถูกพี่ผิดเกิดขึ้นที่เราเหยนแก้ไขถ้าเห็นแล้วแกว้ไขกรรมฐานนี่เป็นเรื่องแก้ไขให้ถูกไคต้องอยู่เสมอไม่ได้ปล่อยทิ้งหวนเหรียนดันอื่นรู้แล้วเห็นแล้วแก้ไข เล่นเห็นความหลงปล่อยความหลงทิ้งไว้ในกายในใจไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นความรู้สึกตัวหรือว่าถูกต้องถูกต้องความหลงไม่ถูกต้องเลื้อได้อย่างนี้วิชากรรมฐานเอาให้ถูกต้องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมันก็เห็นเป็นสูตรขงหลักโยู่เรื่องของกายของจอย เห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมเห็นเป็นรูปโลกเห็นเป็นนามโลกเห็นเป็นรูปสมมุติเห็นเป็นนามสมมุติเจิญบัญญัติเห็นวัตถุอาการต่างๆเห็นปรมานสัจจะตามความเป็นจริงในสมมุตินั้นวันบอก เมื่อเห็นสิงเหล่านี้เกิดขึ้นกับลูกผมน้ำมันก็กระตือรือร้นในการชิงที่สร้างสิ่งที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นกับลูกผมน้ำเมื่อสร้างสิ่งที่ถูกต้องขึ้นกับลูกผมน้ำก็เป็นประโยชน์ต่อลูกต่อน้ำต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นไปเองไม่ต้องตีความไม่ต้องเรียกร้อง มันเป็นเรื่องรีบด่วนถ้าศึกษากรรมฐานวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่รีบด่วนข้อขาดมาตายเห็นรูปโลกเห็นนามโลกเห็นโลกของรูปเป็นโลกของนามจะบ่อยให้เป็นโลกไม่ได้รูปทุกนามทุกจะป่อยให้รูปเป็นทุกปล่อยให้นามเป็นทุกไม่ได้ มันมีทางแก้ไขงั้นโกรธมันเป็นทุกข์องนามล่อยให้ความโกรธอยู่ในนามไม่ได้ต้เปลี่ยนเปความไม่โกรธมีสติรู้สึกตัวขึ้นบ้างเอิน่นเอิ่นตรงนี้ด้ปเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีมันถูกต้องมันถูกต้อง เลสนั้นมันไม่ถูกต้องความถูกต้องคือมันไม่เป็นอะไรความยึดถธรรมของรูปของนามความไม่เป็นอะไรความปกติสตินีเหมือนกับพาให้กายให้ใจเข้าบ้านคือปกติกับเมื่อปกติพาเข้าเมาื่อสุปกติ บ้านของกายของใจคือปกติสติพาให้กายให้ใจเข้าบ้านคือปกติเราก็สัมผัสได้อย่างนี้เราเห็นอย่างนี้เห็นจุดที่มันเกิดขึ้นมาเห็นอะไรที่มันบ่งบอกไม่ใช่สุมสีสุมาหาตุ่นเดา วิชาที่แฉมแจ้งรู้จริงเห็นจริงเรียนรู้จากความเทิดความจริงที่เหมือนเกิดจากกายจากใจเรานี้เราอยู่ที่ไหนก็เป็นกายมีใจมีกายมีใจอยู่ที่นั่นไม่เราจะมีครอบมีครัวมีผั ว, ม, ผวมีเมียมีทรัพย์สินสมบัติมีอะไรหรือไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องของกายของใจเรากําหนดกายใจเราเอง ไม่ให้อันอื่นวัตถุอื่นมากําหนดเป็นสุขเป็นทุกข์ได้ถ้าเราลูกจกักกายใจตามความเป็นปจริงเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปทุกนามทุกเห็นรูปทมนามทำเห็นรูปโลกสมนามโลกเห็นรูปสมมูิเห็นนามสมมูิเห็นบัญญัติเห็น ด, ดาการวัตถุต่างๆไม่มีใครที่จะมาให้เพื่อนเรืนี้ได้ เราจึงต้องเห็นจริงมีอยู่จริงในความไม่เที่ยงก็มีอยู่จริ ง, นนงแต่มันไม่จริงแบบควาเที่ยงในความเป็นทุกข์ก็มีอยู่จริงแต่มันไม่จริงแบบความไม่ทุกข์ว่าสิงใดที่เป็นทุกข์มันก็ไม่อยู่อย่างที่เราสวดมนต์ตอบเถิดสิ่งใดไม่ได้สิ่ง น, นั้นนั่นก็เป็นทุกข์มันเป็นอย่างนั้น ทำไม่ถวงเป็นทุกข์จากลูกจากน้ำเอาลูกัวน้ำไปใช้ให้เกิดความทุกข์คามไม่สบายกายผมไม่สบายใจความช้บแช่นยจก็เป็นทุกข์ก็เห็นอยู่อย่างนี้ทำไมเราต้องทำอย่างนั้นเราจึงต้องอยู่ในตัวเราเอง ความไม่สบายกายคงไม่สบายใจความาพเพลชยไปทํามันทําไมว่าทํำไม่สบายทําไมว่าไม่สบายกายคงไม่สบายใจเกิดจากการกระทําของเราเองคือแต่ก่อนเราไม่รู้ป ล, รลปล่อยให้จริงเวโล่อมปล่อยให้จิงต่างๆเป็นใหญ่เป็นโตพอเรามาศึกษาก็มาถอดนิมน ส่วนใหญ่แล้ววันใ น, นสิทธิวิชากรรมฐานเป็นวิชาสิทธิที่ชอบทำที่สุดใดยความถูกต้องเกิดขึ้นมันเห็นเงี่ยเห็นมุมเห็นอะไรต่างๆถ้าผู้ฝึกกรรมฐานเอากายเอาใจประงัมลามีสติเป็นตัวศึกษาเข้าไป จบบทลู่บททุกเกี้ทุ ก, ท ก, ท ก, ทกบุ่มได้ย้อนได้ชันได้อย่างลู่พระพุทธเจ้าเอาอย่างพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงเมื่อพองปฏิบัติธรรมเหตกคอยเห็นใจ อะไรมาเกิดเกิดายใจรู้ก็กดะย้อนขึ้นมาปัญญาย้อนขึ้นมาจังรู้เห็นว่ากายใจนี่มีสิงที่เป็นเหตุทําเหตุอยู่เสมอเห็น กายในภาคออกมาแล้วมาบวชแล้วว่าได้อยู่กับครอบครัวแล้วยังไม่สําเร็จจิตมันยังไปจุ่มอยู่กับครอบครักวกับลกูกคิดถึงผิวตาลาหุนคิดถึงทรัพย์สินจะดึงขานคิดถึงพร่อจะสมบัติเสาวจนมกํนาลังหน่อยภาษาสามฤดูเปรียบเทียบเอามากําหนด ใเกิดความชุกความทุกความผิดความถูกก็จากสมมุติมันจัดวัตถุอาการเมื่อสมมุติขึ้นมาให้เป็นความผิดความถูกให้เป็นความเปรียบความชื้นล่งเห็นอย่างนี้ก็เปรียบเทียบขึ้นมาเสมือนว่าไม้ไผ่เอาม้ที่มันแช่น้ํา นาสีไผ่ไม่เกิดไม่ไผ่ที่ขึ้นจากน้ํายังไม่แห้งนาสีไผ่ไม่เกิดเมื่อไม่ไผ่เอาขึ้นจากน้ําแห้งแล้วสีไผ่ย่อมเกิดเป็ญยานเบื้องต้นที่พระองค์ได้เห็นเรื่องนี้ว่าได้หลกตัวเองไม่ปล่อยตัวเองทิ้ง เวลามีเะติอยู่นี่มันก็เป็นการกระทำเรื่องนี้ถ่อยตรงมันก็ภาคกายออกมาแล้วน้นองอยู่ต้นโพลอยเป็นภาคออมาแล้วได้กายวิเวกแล้วกิจยังไม่พากในภาคกิตออกมาคิดไปที่ใดกลับมาคิดถึงเพื่อน้ากลับมา คิดถึงหลาวหุนกลับมาหน้ามกับพากออกมาพาคออกมาพากออกมาแต่ก่อนความคิดทำให้ชุ่มให้เปียกเกิดชิลิต้นเห่าหลา่าคาได้พากออกมาคิดที่ใดพากมาลู่พอลู่ก็ในความคิดในความคิดที่มันคิดไม่ถูกไม่ต้องที่มันเป็นนุ่นเป็นนี้งมันก็จะแห้งเหมือนกับไม้ไผ่ที่ขึ้นจากน้ำเหมือนแห้ง เมื่อภาควาลู่หลวงขึ้นน้ำแล้วภาคว่าลู่ไม่เปียกแล้วไม่เปียกแล้วจิตไม่เปียกอีกแล้วไม่ไปจุ่มเอานู่นเออนีนน่เอาผิดเอาถูกเอายากกวาง่ายอย่ญญางที่พูดอยู่เสมอเห็นมันไม่เป็นไปกับมันเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์เห็นมันคิดเห็นมันรู้เห็นมันไม่รู้เห็นมัน อ้เห็นมันอะไรต่างๆพระออกมาเยอะแยะทำให้จำไม่เหมือนเปียกเหมือนกับไม้ไผ่ที่มันเปียกอยู่เสมอแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่เกิดคุณค่าขึ้นมาสีไฟไม่เกิดเยอะแยะมากมายมันแตกฉานจริงๆศึกษองเาะธรรมะแตกฉานเรื่องที่เกิดกับกายกับใจนี่ตรงกันข้ามตรงกันข้าม ไม่ถูกต้องทาให้ถูกต้องไม่ถูกต้องทําให้ถูกต้องทอมสิ่งที่ผิดให้เหมันถูกต้องให้มันถูกต้องถูกต้องทุกเรื่องทุกเราวันหนึ่งได้ความถูกต้องเกิดขึ้นมากมายนี่ป็นญาณที่หนึ่งเกิดขึ้นกับพระองค์ไม่ต่างกับที่เราทำเหมือนกันหมดไปทางเดียวกันนี่อะไรเกิดขึ้นมาลู่ลู่นี่มันเป็นอย่างนี้ ไปทางเดียวกันไปถึงเดินคนเดียวไปที่เดียวกันไปถูกที่เดียวกันถึงที่เดียวกันเปลี่ยนหลงเป็นลู่เหมือนกันเปลี่ยนเลเป็นลู่เหมือนกันหมดเจอไปเอาผิดเอาถูกหาคำตอบจากความคิดในคนละแบบไหนนี่มิดไหนโน่นไหนนี่เห็นโน่นเห็นนี่ถือโน่นถือนี่ไปอันนั่นคนละอย่างเป็นคนละอย่าง ถ้ามาลู่มาลู่เป็นอันเดียวกันสิ <c> ่ง <oughs> <c oughs> ที่เป็นนั้นหลายหลายอย่างให้เป็นหนึ่งเดียวกันคืออย่างนี้คือคำประธานนี่คือลู่ชักตัวนี่ลู่ชักตัวนี่ถูกต้องนี่ควมหลงไม่ถูกต้องกองลู่ชักตัวถูกต้องนี่เป็นอันเดียวกัน แตู่ปอันอื่นไม่ถูกไม่เป็นอันเดียวกันคน น, น, น, น, ค น, นั้นเห็นอันโน้นคนนี้เห็นอันนี้เหมือนตาบอดคำช่างคนเห็นขาก็เหมือนกับว่าช่างเหมือนเสาเล่าคนตาคนหนึ่งคำข้างๆช่างเหอนช่างก็เหมือนกับขวาเล่าคนหนึ่งคำเห็นหูก็เหมือนกับกระดง แต่มันไม่รู้ว่ามันเป็นช่างเอาความเห็นเป็นบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นที่จริงมันเป็นช่างคนตาดีเห็นว่าเป็นช่างมันต้องหมดไปเป็นช่างมันก็คือความไม่ถูกต้องความไม่ถูกต้องเป็นอัเดียวเท่านี้วิชาคําว่าถามเป็นวิชาที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ เป็นเรื่องเป็นเรื่องตายเป็นเรื่องที่รีบที่ด่วนเพราะว่ารูปนามนี่มันเก็บมันแ ก, มนก่มันตายเรามีความแก่เป็นธรรมดาอย่าลวงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเก็บไข้เป็นธรรมดาอย่าล่วงพ้นความเก็บไข้ไปไม่ได้มีความตาย อะไรแกะอะไรเก็บอะไรตายเราจึงต้องศึกษาเราให้เก็บจึงจะรู้เราให้ตายจึงจะรู้ไปแก้ตรวนั้นันแก้มาได้เราจึงมีวิธีปฏิบัติเตรียมใจก่อนตาย เตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้าก่อนดแรงเตรียมแบ้งก่อนเดินโบราณท่านว่าวันคืนวันคืนมันล่วงไปล่วงอยวันเวลามันผ่านไปนี่เราก็อยู่กันมาไปมากสามเดือนลาบวชก็มี ได้มีได้หมาสนใจการปฏิบัติาการละลายมันก็กินกินเราถ้าเราไม่ทําอะไรไม่ทำครบผิดให้ถูกต้องมันก็มีประโยชน์ตามกาลเวลาถ้าทําถ้าเราทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องเวลาก็เป็นประโยชน์กับเราอย่าววันเอาเดือนเอาปีเป็น สิ่งที่กําหนดว่าทําได้ทําไม่ได้อะไรที่มันได้อะไรที่ไม่ได้เอาได้อยากอะไรวันอยู่ที่นี่เวลาไหนวันไหนก็คือวันนี้สี่สิปียี่สิบปีก็คือวันนี้ถ้าทำถูกต้องถ้าทำไม่ถูกต้องมันเป็นอื่นไปเรื่อยๆ หลงซนหลงหางไปเรื่อยๆยิ่งมานบันก็ยิ่งเปิดเพื่อนไปมากๆถ้าอยู่ไม่เป็นเด็กก่อนแล้วก็เป็นหนุ่มเอาใช้ความหนุ่มศึกษาเรื่องนี้ถ้าจะมาเกียบกับเวลานี้มันก็จะไม่มีแรงที่จะต้องศึกษาเท่าไหร่นี่เรามีในสง สี่สิบห้าสีปีก่อนมาคือวันนี้ของเราเป็นอนนี้โงวันนี้เลยใช่นี่โฉงวันนี้ได้อนนี้โฉงมาจากสี่สิบห้าสีปีก่อนนู่นมาเป็นเก็ดสิบเก็ดปีนี่เป็นวันนี้มาจากวันนู่นวันนู่นมาจากวันนี้มันอยู่ที่นี่ไม่ได้เป็นไปกับวันแต่เพื่อนกับปีมันอยู่ที่นี่ไม่ความแก่ความเจ็บความตายไม่มีความหมายมาอยู่ที่นี่ การเวลาเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ทำของไม่ถูกต้องไปความถูกต้องมันก็เป็นอื่นไปนเรื่อยๆมันไม่มีวันนี้ง ม, ม, ม, มๆซ้อซ้อยู่กืนกินเราการเวลากืนกินเมพาะจริงเพิ่มตัวมันเองถ้าเราก็เอาความแก่ ต่ารองกับบางอย่างก็ทำไม่ได้เัราะเฉยเท่า เ, เัราะเฉยงอมโยมทุลักทุเลดั้งกออ็โวยเฉลิออออ้มก็โวยจะลี่นก็โวยแล้ก็พลาดเฉยแล้วหมดโอกาสเฉยแล้วอย่านึกว่าตัวเองหนุ่มไม่ทำเรื่องนี้ อย่าถึงว่าวเทงยุ่งยากไปทำเรื่องนี้ถ้าพูดถึงความถูกต้องไม่ถูกต้องไม่มีอะไรมาต่อรองเอาความยุ่งยากเอาความผาลาญมาต่อรองไม่ไดอไกากา้อยู่ที่ไหนก็กายอยู่ที่ไหนก็ใจเราจึงอยาก มีวิธีใดอีกที่จะต้องทำหน่อยนี้ให้ใหมาเกิดขึ้นในความถูกต้องหาวิธีใดก็ไม่เจอที่จะสร้างความถูกต้องเกิดขึ้นกับตัวเองจากเพื่อนสู่เพื่อนจากมิตรสู่มิตรกันลยาณมิตรจะช่วยกันอย่างไรแล้วก็มีเท่านี้มีวิชากรรมาฐานตามพระพุทธเจ้านี่ก็มีแบบนี้มีวัดว่ารำอยู่ด้วยกันแบบนี้ มีวัดปฏิบัติแบบนี้ใครมีวิธีอย่างอื่นก็ช่วยกันแต่ว่ามันเห็นแบบนี้ทำไม่ไ้ไหนเป็นแบบนี้วางไว้แบบนี้จึงสะดวกในการกธรรมสอนตัวเองก็สอนแบบนี้กรรมฐานแบบนี้เห็นหมด เรามีสติดูกายเห็นกายเสวากายและเห็นกายสวกายก็จบไปหลายเรื่องแล้วเห็นเวทนาสักเวทนาก็จบไปหลายเรื่องแล้วเห็นจิตเสวาจิตก็จบไปหลายเรื่องแล้วเห็นธรรมเสวาธรรมก็จบไปหลายเรื่องแเข้าเส้นเข้าทางแล้วไวสะดวกแล้วไม่มีอะไรกักขังได้ถ้าเห็นจริงๆแต่รู้จริงๆรู้เห็นจริงๆ เพื่ออะไรเพื่อให้ถูกต้องเพื่อให้ถูกต้องเพื่อหวมถูกต้องเห็นกายสภาวะกายถูกต้องแล้วเห็นเวทนาจัเวทนาถูกต้องแล้วเห็นจิตจะววาจิตถูกต้องแล้วเห็นธรรมสภาวะธรรมถูกต้องแล้วถูกต้องไปเรื่อยๆถูกต้องไปเรื่อยอะไรเกิดขึ้นมาถูกต้องถูกต้องถูกต้องนี่เหมเป็นทางไปอย่างนี้ทางถูกต้อง ใช้กับมายปายทางจางนี้ก็ไม่มีแรงเที่ยะพูดนะได้เท่านี้และสมขวนใช้เวลา